ก็ให้เพิ่งเข้าใจว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนเท่านั้นชีวิตของคนเราก็รุกร้นไปหาความตายมัเก็ะเหมือนกันอย่างนั้นเลยให้พากันคิดพิจารณา อันพระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุก็ตามทายุทธยิกาก็ตามสัมันเณรก็ตามเนี่ยก็ทรงสอนให้นึกถึงชีวิตนี่ให้มากชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลย มีแต่บุญกับบาปที่ทำเท่านั้น ท, ที่ติดตัวไปดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้คนเราเพียรละบาปเพราะว่าถ้าเอาบาปติดตัวไปบาปมันก็อานวยผลให้เป็นทุกข์ถ้าเอาแต่บุญรุ่นล้วนติดตัวไปบุญมันก็อานวยผลให้เป็นทุกข บุญกุศลจะส่งคนเรานี่ให้ถึงพระนิพพานนู่นไม่ใช่จะให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนะถ้าบุคคลมาลับบาปเสียแล้วสร้างแต่บุญกุศลล้วนๆอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็มากขึ้นไวนะขพมันไม่มีศัตรูคอยรบกวน ไอ้บุคคลสร้างบุญกุศลจะไม่เต็มง่ายก็เนื่องมาแต่ไปสร้างบาปสลับกันไปกับสร้างบุญกุศลบาปนะมันไม่ปรารถนาที่จะให้คนเราพ้นทุกข์มีแต่มันจะดึงจิตวิญญาของคนเราให้ไปเกิดในที่ทุกข์ยากลาบากเป็นอย่างนั้นบุญนั่น่ะเป็นมิตรที่ดี เมื่อเราสั่งสมไม่เกิดมีแล้วอย่างนี้มันก็จะ ส, สนับสนุนจิตใจของเราให้ไฟสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้ไ่ไปในทางต่ำทางใดจะเป็นไปเพื่อความถุกครวงสงบบุญกุศลก็จะโดนบันดาลให้เกิดความพอใจในทางบุญทางกุศลในทางความสงบนั้น นี่การที่ผู้ที่มีศรัทธาได้ออกจากบ้านมาบวชอยู่ในวัดป่าอันเป็นที่สงบสงัดทั้งพระภิกษุธรรมเนนทั้งผู้เป็นชีเป็นเขานี่มันกร็รวดสั้งแส่อำนาจของบุญที่ตนได้ทามาแต่ก่อนนะ มันโดนจิตโดนใจให้ชอบสถานที่สงบสงัดเห็นว่าเมื่อไปอยู่ที่ฉะนั้นแล้วมันก็เหมาะกับการที่จะทําความเพียรทาใจที่พุ่งสานเลื่อรลอยได้ให้เขาถึงความสงบเพราะว่าตนนั้นต้องการความสุขความสงบไม่ต้องการความวุ่นวาย อันนี้อนุภาพแห่งบุญนี่นะเมื่อเมื่อเราสั่งสมให้มากๆเขาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะบุญนะมีแต่มันหนุนส่งให้เราสแสวงหาความสงบระงับทางกายทางวาจาทางใจเรื่อยไปแหละซึ่งไม่เหมือนอย่างบาปกรรมบาปกรรมนั้นมีตรรมยุยงส่งเสริม ให้จิตคิดพุ่งสร้างเลื่อนลอยไปด้วยอำนาจแห่งความรักบ้างความโกรธบ้างความหลงความมัวเมาต่างๆบ้างลักษณะของบาปมีแต่ดึงดูดจิตใจให้ลอยไปตามกระแสของขีเลสบาปธรรมเหล่านั้นให้พึงเข้าใจ ลักษณะของบุญและบาปนะมันมีแตกต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันไปชอบในเรื่องบาปอืไอเรื่องบาปก็เคยพูดใค้ฟังบ่อยๆอยู่แล้วมันก็เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรกคิดดูที่สิข้าบท่าข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นนะมันนวนแต่เป็นไปเพื่อห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งนั้นเลย ดังนั้นให้พากันคิดให้มันเห็นเพราะนั้นคำว่าทำชั่วหรือว่าทำบาปหรือว่าทำอกุศลกรรมหมนีให้หมายเอาความเบียดเบียนเลยให้เพ่งไปนั้นเลยทียนี้ถ้าหากว่าผู้ใดมาฝึกค้นจิตใจของตนให้เจริญด้วยเมตตากรุณายิ่งยิ่งขึ้นไป ความโกรธความไม่ยาบาทั้งหลายมันก็เบาบางไปเรื่อยๆอมันก็ให้อภัยแกศั ต, ตรูไปเรื่อยๆไม่ไม่คิดว่าจะแก้แค้นตอบแทนอะไรเลยทำเมื่อมตตาทำกรุณารมแก่กล้าขึ้นมากแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี้คุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นฝ่ายคุยสนนี่นั่นแหละให้พากันคิดพิจารณา เพราะว่าชีวิตของคนเรานี่น่ะมันเนื่องอยู่ด้วยบุญและบาปไม่ใช่เนื่องอยู่ด้วยอย่างอื่นอบุญบาปนั้นบุคคลสร้างขึ้นมาเพราะอาศัยกิเลสหนุนหลังอาศัยความโลภความโกรธความหลงเอาความโลภโลกรธหลงอาศัยใจแบบนี้น่ะใจเป็นผู้สร้างขึ้นมา เนี่ยมันมันมาลงที่จิตหรือที่ใจดวงเดียวนี่แหละนอกจากนี้ไม่มีไม่มีใครสร้างกิเลสอันเป็นเหลสให้เกิดทุกข์ต่างๆให้แก่ใครต่อใครไม่มีมีแต่จิตของใครของมันนสร้างกิเลสขึ้นให้แก่ตัวเองเราต้องพิจารณาให้มันถึงแก่นถึงต้นตอของบุญและบาปให้ได้ออื เมื่อตอนไม่ต้องการบาปกรรมอย่างนี้นก็ตนก็ต้องละความโรคความโกรธความหลงไปเรื่อยๆมันก็อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นของลี้ลับซับซ้อนเราสัไม่สามารถจะมองเห็นได้บรรดาความชั่วทั้งหลายก็เราถือสันติตามมีตามได้ในปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคริหั์ ถ้าตั้งมั่นอยู่ในสันสุดถิทนธรรมอย่างว่านี่แล้วมันก็จะไม่ไปแย่งไปชิงไปซ่อโกงเอาของใครเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีกว่าก็จะแสดงผู้ที่ตาจิตหอยยินดีด้วยธรรมดาผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษอยู่ในใจนะไม่อิจฉาลรืสยาคนอื่นเขาที่เขา มียศฐาบรรดาสักขวดที่เขาร่ำรวยเงินทองหรือว่าอาติเล์การาบต่างๆอย่างนี้ล้วก็ถ้าเราไม่พูดออกปาเราก็นึกแสดงความพอยินดีกับผู้เขาล่ำรวยมั่งมีนั่นแสดงว่าเขามีบุญเว้นเสียแต่คนที่ล่ำรวยด้วยการช่ อ, อการโกงได้มานั้นยกไว้อนายกไปแหกรรมของเขาเอง อันนี้เราพูดถึงแต่เรื่องธรรมะอั น, อนเป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกจากหัวใจนี่เราพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะมันมีคุณธรรมเครื่องกำจัดอยู่ในกิเลสเหล่านี้นะให้พากันเข้าใจ ทำไมเราเราจริงๆไปท้อใจว่าเราละมันไม่ได้ก็เมื่อเรามีคุณธรรมอยู่ในใจแต่ถ้าละหากว่าเราไม่สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเราอย่างนี้มันก็จะไปเอาอะไรมาละกิเลสป่าประทำได้มันไม่มีเหมือนอย่างไปลบทับจับจับศึกอย่างนี้แหละทหารตำรวจไม่มีอาวุธอยู่ในมือแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาต่อสู้สกับฆาตศึก เวลาเขายิงมาอก็มีแต่ต้องพ่ายแพ้เขาวันยังค่ํำเละอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อใจของเราไม่มีอาวุธคือคุณธรรมหรือสติปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้กับอำนาจของกิเลสบาปธรรมแล้วเราก็ต้องแพ้มันวันยังค่ําให้คิดดูให้ดีถ้าเราสร้างคุณธรรมคือสันตุิสี แล้วก็อปิดสตาสันตุเถีคือยินดีตามีทามได้อัปิดฉัตาเป็นผู้มักน้อยมักน้อยในหมายความว่าเราต้องการอยากจะให้กิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วทั้งหลายให้น้อยบาบางออกไปจากกิจใจนี่เราไม่ปรารถนาที่จะสร้างกิเลสบาปธรรมให้มากขึ้นในใจของตน นี่ท่านเรียกว่าอัปิชตาให้พากันเข้าใจถ้าจะว่าทางภายนอกก็หมายความว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายเครื่องใช้ไม่สอยปัจจัยทั้งสี่เช่นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้ก็รู้จักประมาณเมื่อตอนมีบุญน้อยได้อะไรก็ได้ของไม่ดีบ่ อออย่างนี้เราก็ขอใจอยู่ในสิ่งที่ตนมีตนได้นั่นแหละเมื่อตนมันมีบุญน้อยนี้ออตนได้ทําความดีมาแต่ก่อนมันน้อยไปคนมาอํานวยให้มันก่อนน้อยอย่างนี้แหละเรามันต้องเข้าใจไอกรำ ว, วิบากของตัวเองคนที่ไม่รู้แจ้งกำวิบากของตัวเองอย่างว่านี่แหละ มันถึงกลายเป็นโจรเป็นขโมยสะสมอาวุธขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวขี้เที่ยวปล้นสมัยทุกวันนี้มันไม่จี้เฉยๆแล้ววะนี้ถ้าหากฝ่อยมองเห็นว่าสมบัติของพุทธมันหลายสมควรเน่ยยิงให้ตายเลยมันจึงไม่มีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยยิงให้ตายเราขนเอาสมบัติเขาหนีไปเลย ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตามจับอะไรมนก่อนสบายไปพักหนึ่งนี่แหละความเป็นผู้ไม่สันโดษมักน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยมันทำให้คนเราชั่วสร้างบาปคำใส่ตัวเองอแล้วก็ได้ไปสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานผู้ใดทำบาปมากก็ได้สวยทุกข์มากอยู่ได้นาน ในนรกอบายภูมิเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เราเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเจริญให้มากๆจนสามารถมองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรไปเลยถ้ายังมองเห็นว่าศัตรูเป็นศัตรูอยู่อย่างนี้เมตตานั้นยังได้ชื่อว่ายังไม่มากพอ มันยังไม่บรรเทาความโกรธความเมาตาต่างๆไดก่อนยังอาใยรจะโทษให้คนอื่นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องเจริญเพ่งเมตตาจิตอยู่ภายในจนว่าจิตสงบอยู่กับเมตตาเมื่อเมตตาทำได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วมันจะไม่ถอนออกจากจิตใจนี้ไปง่ายๆแบบนี้นะ เราจะไปที่ไหนยืนเดินนั่นนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรเมตตาธรรมก็มีอยู่ในใจนันเสมอไปถ้าเพียงแต่ว่านึกคิดหรือว่าตรวจสเปสตาสุกิตาฮนตุไปเฉยๆเท่านี้นั้นมันเป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นเมตตาธรรมมันตั้งอยู่ใน จ, ใจิตใจในชั่วคราวเท่านั้นเอง อันเมตตาธรรมจะตั้งอยู่ได้ในจิตใจนี่อย่างสนิทสนมก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เพ่งเมตตาจิตเมตตาธรรมอั น, นี้อยู่ในใจนั่นจนเมตตาธรรมซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้จิตใจนี่มีแต่เมตตาธรรมล้วนๆอยู่ภายในได้แล้วมันเมตตาธรรมมันมีอิทธิพลมากแล้วมันก็กันความโกรธ เพราะมายวดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจถึงขั้นนั้นแหละถึงจะมองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรเลยคือเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ใช่ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแต่ก็เป็นได้นั่นแหละถ้าหกว่าเราก็โกรธตอบเขาเขากโกรธต่อเราต่างคนไม่ยอมให้อภัยกันเช่นนี้มันก็เป็นคู่เวรกันแน่นอนน่ะคู่นั้นนะเป็นอย่างนั้น เกิดไปชาติใดก็ต้องไผ่านทะเลาะโวแวงกั น, นหาความสุขสบายไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้นะให้พากันภาวนาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นคุณแห่งเมตตากรุณาให้มา ก, มากๆทีเดียวนี่แหละในพุทธศาสนานะมีอยู่นะคุณธรรมตลอด ก, กรรมจัตเจริญ น, น้อยใหญ่ทั้งหลายนะ่แต่เมื่อคนเรา ไม่เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมนั่นะ่ะก็ไม่โน้มพระธรรมเข้าสู่จิตใจไม่เพ่งพระธรรมให้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจเช่นนี้จะใหพะ้พระธรรมช่วยได้อย่างไรเพียงจะอ้อนวอนอย่างนี้ไม่มีทางการที่บุคคลอธิษฐานถึงบุญถึงคุณความดีต่างๆ แล้วบุญคุณนั้นบางเกิดขึ้นช่วยชีวิตช่วยกระจัดปัดเป่าความวิบัติขัดข้องอะไรได้นั่นน่ะก็เนื่องมาแต่ผู้นั้นน่ะน้อมบุญน้อมคุณเข้าไปสู่จิตใจเสมอเสมอจิตใจไม่ห่างจากบุญจากคุณจเจริญอยู่เสมอไปทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อบุญคุณได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจเต็มที่แล้วอย่างนี้นะ มันก็มีอนุภาพเลยเมื่อเราอธิษฐานถึงบุญถึงคุณเอานั้นให้มาช่วยป้องกันภัยพิบัติอันตรายแห่งชีวิตจะให้เกิดมีช่วยขจัดภัยพิบัติต่างๆอย่างนี้นะก็สามารถเป็นไปได้เพราะว่ามันมีอยู่ในจิตนั่แล้วนี่บุญก็ดีคุณก็ดีอ่ะไม่มีอยู่ที่เอืน่น พระพุทธเจ้าพระองค์อธิษฐานถึงบุญบารมีที่พระองค์ทามาแต่อเนกชาติตอนพยามานไปรุกรานนั่นนะความจริงพระบารมีก็อยู่ในพระทัยของพระองค์นั้นแล้วแหละแต่พระองค์ยังไม่ได้นึกถึงเท่านั้นเองนะขอพระองค์นึกถึงอธิษฐานเท่านั้นแหละเพระบารมีทำหล้นก็บังเกิดพระละกำลังขึ้น พระจัดมานเสนา ม, มาในพ่ายแพ้ต่อพระองค์ไปอันนี้เราต้องเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านะมาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีภูมิใหญ่มานก็ใหญ่ไปตามกันมานก็คือกิเลสแล้แหละจะใช่อื่นไกลอะไรผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นอุะพุทธเจ้าเป็นภาษาวกเอา้ามานมันก็น้อยเข้า อย่างนี้แหละมานก็ น, น้อยเข้าบุญบา ร, รมีก็ น, น้อยเข้าไม่มากไม่ต้องได้สร้างมากเหมือนพระพุทธเจ้าแต่มานนี่มีอยู่ทั้งนั้นเลยจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระเจกเป็นพระสาวก ท, ทั่วไปมื่อนี้พายุพายิกาก็เหมือนกัน งานคือกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจทุกคนเลยดังนั้นอย่าพาการนิ่งนอนใจอย่าไปสำคัญว่าตนสบายตนไม่มีเวรมีภัยอะไรกับใครอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นกิเลสนั่นที่เป็นตัวคู่กรรมคู่เวรน่ะพาท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยจะอะไรเราจะพามาถ้าไม่ใช่กรร ม, มกิเลสแล้วไม่มี อย่างนี้ให้เข้าใจถ้าบคุคคลใดยังพอใจในความเกิดความเป็นอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างนี้แน่นอนแหละมันก็ไม่ได้ภาคเพียรพยายามที่จะละกำชั่วออกจากตัวหรือไม่เพียรพยายามที่จะสั่งสมกรรมดีให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนเพราะมันเห็นไปว่าความเป็นอยู่แค่นี้ก็สบายแล้วอย่างนี้นะ มีเงินใช้มีบ้านอยู่มีบริษัทบริวารรับใช้รับสอยในกิจการงานต่างๆให้อย่างนี้ก็นพมีความสุขพอแล้วไม่ต้องขวนขวายบุญกุศลอะไรเพิ่มเติมอีกอันพวกที่หันหลังให้ศาสนาไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศล ให้มากขึ้นในตนนั่นพวกมีความเห็นอย่างว่ามานั่นแหละเขาหาได้เฉลียวคิดนึกในใจไหมว่าบุญที่เขาสวยผลอยู่นั่นน่ะมันจะไปจบลงเมื่อใดเขารู้แล้วหรือยังนี่เคยมัวแต่ได้รับความสุขเลเกน้อยแล้วก็ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไลไม่คิดอ่านอะไรไออย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญา คนกราบมามก็ก็เมื่อชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงแล้วไอ้บุญและบาปที่นำม า, ต, าก ต, ตกแต่งชีวิตอันนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนถ้าบุญกุศลเป็นของเที่ยงแล้วมันก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้เที่ยงให้ยั่งยืนสินี่มันต้องคิดให้มันเห็นอย่างนี้ เมื่อผูใ้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จะรู้ได้ว่าบุญกุศลนี่มันก็มีขอบเขตจํากัดเหมือนอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่แหละต้นไม้ใบหญ้ามันก็มีขอบเขตของมันออย่างนี้นะแม่น้ําลําคลองถึงเวลามันแห้มก็แห้งไปถึงเวลามันมากก็ามากมาออย่างนี้อ่ะ ไอ้ชีวิตของคนเราก็หมุนไปตามกรรมแล้วแต่กรรมมันจะพาไปตนได้ทํากรรมอันใดว่าอันใดไว้กรรมนั้นมันก็หมุนพาหมุนไปอย่างนี้แหละทีนี้กรรมนั้นมันก็มีขอบเขตจํากัดเมื่อมันหมดเขตุของกรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เต่นั้นพระเทธเจ้าจงอาสัตโลกเป็นไปตามกรรมนั่นแหละเป็นอยู่ด้วยกรรมอยู่ไม่ได้ก็เพราะหมดกรรม เ, เป็นอย่างนั้นผู้ใดได้สร้างบุญกุศลไว้ในตนให้มากให้เต็มความสามารถในปัจจุบันนี้เมื่อเวลาบุญเก่าใกล้จะหมดลองบุญใหม่มันก็ไปรอรองรับเอาเออไปรอ นเนี่ขอบุญเก่าหมดรองจิตออกจากกลางบุญไม่ก็รองรับเอาดวงจิตไปสบายไม่ต้องเล่ล่อนหาที่เกิดให้ยากลำบากอันบุคคลที่ไม่มีบุญกุศลรองรับดวงจิตมือกันน้อยไม่พอที่จะนำไปที่ไหนตัวที่ไหนได้ เมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็เป็นสัมเวสีเล่ร่อนเที่ยวหาที่เกิดไม่ได้จะไปเกิดที่ดีไปเกิดกับคนอย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะบุญตัวน้อยจะไปเกิดกับสัตว์ก็ยากมันอยู่ในระหว่างระวงังก็เลยเล่ล่อนไปมาอยู่นั่นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอย่างในทรงแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัท เมื่อทำบุญกุศลอะไรแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้แกสรพพสัพตว์ทั้งหลายที่ตกค้างอยู่ในโลกนี้ <c oughs> <c oughs> เมื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในฐานะที่จะรับรู้ส่วนบุญกุศลที่มนุษย์อุทิศไปเขาก็จะได้รู้เมื่อรู้แล้วก็กล่าวคำอนุโมทนาก็เป็นอันว่าได้รับส่วนบุญกุศลนั้น ก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบางทีก็สามารถไปเกิดได้แบบนี้นะเกิดกับคนได้อีกเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้มีบุญวัฒนะบารมีแก่กล้ามันจึงไม่ปรารถนาเกิดอีกเพราะเห็นว่ามันยากและเกินชาติความเกิดนะอืถ้าผู้มีบุญมากก็ยิ่งชั่วน้อยผู้มีบุน้อยนี่ เกิดก็ยากลำบากบางคนได้ผ่าท้องแม่ออกเอามันไม่ยอมออกทางทวารเบาบางคนก็ออกยากต้องกอุต้องประคับประคองกันอยู่อย่างนั้น ห, หมอผู้ชำนาญเขาจึงหาหนทางแก้ไขอยู่ตลอดไป จนว่าสามารถเอาลูกออกจากท้องนั้นได้อันนี้แหละขึ้นชื่อว่าบาปกรรมแล้วนะมันมันจะไม่อำนวยความสุขความสบายให้เลยมีแต่มันอำนวยความทุกข์ให้เท่านั้นเองถ้าคนมีบุญนะอย่างพระนางสริมหามายาสเสด็จไปประพาสสวนอุทยานลุมพินีก็ประชวนจาก ก็พระราชชโอรสอย่างนี้อเจ้าหน้าที่ก็เอาม่านมากั้นรอบต้นไม้สาระนั่นแล้วพระนางยืนประสูติไม่ได้นั่งประสูติเหมือนกับคนธรรมดาในตำรากล่าวว่า กิ่งไม้สาระนั้นนโน้มลงมาให้พระองค์ได้เหนียวจับกิ่งไม้สาระนั้นไว้แล้วก็มีเทวดาอินพรหมลงมาคอยรับเอาพระโพธิสัตว์ในเวลาพ้นจากอุทร์ออกมามนุษย์ยังไม่ได้เข้าไปรับก่อนได เห็นในมีในตำร า, า น, นั้นว่าพรหมแหละมารับเอาก่อนเมื่อพรหมมารับออกมาแล้ววันนี้ก็มีท่อน้ำร้อนท่อน้ำเย็นลังไหลมาลดทั้งพระคุมมานและทั้งพระมารดาให้สะอาดจากมวลทินต่างๆทันทีเลยแล้ววันนี้พรหม ก็ได้มอบพระราช ก, กุมาร น, นั้นให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนั่นแหละในว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผู้มีบา ร, รมีอันเต็มแล้วก็ยอมสแสดงออกถึงอภินิหานหรือว่าปุญญาภินิหานในขณะที่อยู่ในมือของแม่เลี้ยงนางนม นั้นก็เสด็จทรงพระดำเนินคือเดินไปได้เจ็ดก้าวแต่ละก้าวก็มีดอกกล้งฝูดขึ้นรับพอถึงก้าวที่เจ็ดพระองค์ก็ทรงเปล่งพระอุทานว่าความเกิดของเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดใหม่อีกต่อไป เราเป็นผู้ประเสริฐในโลกไม่มีใครยิ่งไปกว่าเมื่อพระองค์เป่องอุทานอย่างนี้แล้วก็เสด็จขึ้นสู่ฝ่ามือของเม่เลี้ยงนางนมตามเดิมนักปราท่านพยากรณ์ไว้ว่าที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปได้เจ็ดเก้าพระบาทนะั้นน่ะพยากรณ์ว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์จะเผยแผ่พุทธศาสนานี่ไปได้เจ็ดหัวเมืองใหญ่ๆ ญ, ญ่แต่เมืองเล็กน้อยนั้นไม่ไม่นับอย่างนี้ก็ให้พึ่งพากันรู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไว้บ้างเพื่อจะได้บำรุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราให้แก่กล้าขึ้น ทั้งพระลูกพระชมก็สวยสดงดงามกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายทั้งพระราชสมบัติก็มากมายกายกองไม่อุทธร้อนพระไทยด้วยความเป็นอยู่ในปัจจัยทั้งสี่นั้นแต่อย่างใดเลยแต่ถึงดังนั้นดังนั้นน่ะเมื่อบุญญาบา ร, รมีพระองค์ได้สั่งสมอบรมมาเตอะอเนกชาติ หากเต็มบริบูรณ์แล้วอย่างนี้บุญบา ร, ร ม, มนนีมันดนมันดาลให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อราชสมบัติเหล่านั้นเห็นว่าเป็นเครื่องพวงให้เวียนว่ายใจเกิดจินตนาตารสองสารเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องวนวายหาความสงบระ ง, งับไม่ได้ นั่นแหละด้วยอำนาจแห่งบุญญาณุภาพนะวันนี้ผู้เป็นสาวกสร้างบุญบา ร, รมีมามากก็ก็เข้าทำนองเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นเองนะอย่างพระยสะกุมารอย่างนี้นะอยู่ประสาทสามหลังสามฤดูเหมือนกับพระศาสดาเลย แต่ถึงกระนั้นเมื่อบุญบา ร, รมีที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนมันเต็มบริบูรณ์แล้วมันก็โดนบรรดานให้เกิดความเบื่อหน่ายในบริษัทบริวารเบื่อหน่ายในการคลงคองสมบัติต่างๆหมู่นั้นนะก็จึงได้แต่งตัวเต็มยศแล้วก็เสด็จหนีออกจากปราสาทนั้นไปทั้งคืนเลยบุญก็โดนบรานดาลให้เดินไป ตรงแน่วไปหา菩萨ต า, านั่นแหละแล้วก็บนไปว่าที่นี้ขัดข้องหนอที่นี้วุ่นวายหนอพระศาสดาในขณะท้่พระองค์ทรงเดินจงกรมอยู่ทรงได้ยินอย่างนั้นก็ทรงตรัสแก่ยศกุลบุตรว่าที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายท่านจงมา ทันจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังยศคุรบุตรก็ถอดรองเท้าทองไว้เสียแตกไกลแล้วก็คลานเข้าไปกราบพระสาสดาแล้วก็นั่งสงบกายสงบจิตคอยฟังพระธรรมเทศนาอยู่เพราะองค์เจ้าก็เริ่มแสดงอนุวิบุพิกถาห้าประการ ให้ยศคุณระบุฟังคือทานกะถาสินกะถาสักกะถาเนคขมมะกถาเนคขมานิสังสกักกถานี่รวมเป็นห้าประการแล้วก็จบลงด้วยอริยสัจเจธรรม ท, ทั้งสี่อย่างนี้ คือ อ, อนุบุพิกถาห้าประการนี่น่ะเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าบุคคลคนพวกนี้มีอุปนิสัยสมควรจะได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษได้ในปัจจุบันนี้แหละองพระองค์ก็จึงเนํามาแสดงถ้าทรงพิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่มีวาสนาที่จะได้บรรลุมรคนในขณะฟังธรรมพระองค์ก็ไม่ นำอนุบุพิกถาห้าประการนี้มาแสดงเพราะว่าเป็นธรรมะที่ทรงแสดงตั้งแต่ต่ำขึ้นไปหาสูงโดยลำดับไปอย่างนี้ทานศีลที่พระองค์เจ้าทรงแสดงให้ยศคุลบุตรฟังเพื่อพอกอัธยาศัยจิตใจของยศ คุณระบุดนั้นมาให้เห็นแก่ตัวให้เปิดกว้างไว้ต้อนรับบุคคลผู้ยากจนคนแค้นมาขอทานการแสดงถึงศีลก็เพาะทงแสดงว่าการเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกผู้ไม่เบียดเบียนใครก็มีความสุขในโลกวะนี่อย่างนี้แหละเพื่อให้ยศคุณระบุดได้มองเห็นการทำความดีการละความชั่ว เหล่านั้น เ, เป็นทางความสุขจริงๆเมื่อเห็นว่าจิตของยศกุรบุตรมีความเบิกบานห่องใสอยู่ด้วยคุณธรรมในขั้นต้นอย่างนั้นก็ทรงแสดงอา น, นิสงส์แห่งทานแห่งศีลเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติทานและศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว อานิสงส์ที่จะได้รับคือเมื่อละโลกนี้ไปแลว้วก็บันเทิงในสวรรค์แล้วก็ทรงแสดงการ ม, มาทีนวะกถาในระหว่างนั้นน่ะเมื่อทรงแสดงว่าอานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลที่บุคคลกระกทำบาเพ็ญให้เกิดมีขึ้นจะอำนวยผลนำให้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ทีนี้ในสวรรค์ก็ไม่พ้นไปจากกามมคุณเคสรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสบุคคลที่ไปเกิดในสวรรค์ก็ยังเต็มไปด้วยความกำหนัดยินดีในกามคุณซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์กามคุณถึงจะเป็นของละเอียดประณีตบรรจงอย่างไรก็เป็นของไม่เที่ยงแค้แน่นอนมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกลับไปเป็นธรรมดา บุคคลไม่ควรที่จะไปหลงไหลติดในความสุขทั่วกลาวบนสวรรค์ควรพากันมาพิจารณาเห็นว่าการถอนตนออกไปจากกรรมคุณเมถุนสังโยชนี่นะมันเป็นทางพ้นทุกข์โดยตรงเลยทีเดียวอย่างนี้แน่นอนทีเดียวเพราะว่า บุคคลใดถอนตนออกจากกามคุณเวทนสังยชตไปได้แล้วผู้นั้นจะรักษาศีลให้บริสุทธิก็ทําทได้เพราะเป็นผู้มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเที่ยวพิถาจารย์ไปใครมีศรัทธาใส่ให้อย่างไรก็ครบฉันอย่างนั้นก็บริโภคอย่างนั้นไม่ดิ้นโลนเดื่นร้อนเรื่องอาหารการบริโภคจะเป็นอาหารชั้นเลวหรือชั้นดียังไง ก็ไม่ว่าเราพิจารณาให้เห็นเป็นสพราะว่าธาตุลงไปแต่พิจารณาเห็นว่าเรารับประทานอาหารนี่เพื่อจะยังชีวิตให้เป็นอยู่ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อความสวยงามเพื่อความอวดอ้างใครต่อใครเพื่อความอ้วนพีดีงามอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถักมุ่งหวังอย่างนั้นมันก็เป็นกิเลส เป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกจิตใจให้คล่องอยู่ในนามในรูปอันนี้อย่างนี้แหละดังนั้นนะ่ะพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงโทษของการมคุณเมื่อแสดงว่าการถอนตนออกจากการรมนะ่ะเป็นทางให้พ้นทุกข์บัดนี้ทรงแสดงอา น, นิสงส์แห่ง การถอนตนออกจากกามนั่นน่ะถ้าหากว่าถอนออกด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสนาได้เด็ดขาดไปจริงๆก็บรรลุอนาคามีผลเลยเรียว่าบรรลุในมรรคขันที่สามเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาท้งหลายได้ฟังธรรมะธรสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว อย่างยศกุลระบุท่านก็พิจารณาตามแล้วจบพระองค์สุดท้ายพระองค์ก็แสดงอริยสัจจะทำทั้งสีคือทุกขอริยสัจทุกนั้นมีจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหมูลีลุนจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจผิดไรลําพันธความขับแค้นใจความหิวแห้งใจ มนีก็ล้นแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกเหล่านี้มาจากไหนอะไรเป็นต้นเหตุตัณหาอะไรเป็นเหตุตัณหาเมื่อเมื่อความอยากมันเกิดมีอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็สแสวงหาเมื่อสแสวงหาได้มาแล้วก็มาชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั้น เมื่อเสยอัยหาไม่ได้สมหวังก็เสีย อ, อกเสียใจช้าอกช้าใจต่างๆอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญญาที่จะละความอยากนั้นไม่มีเลยก็จึงกลายเป็นอุปาทานมานี่เมื่ออยากแล้วไม่ได้สมหวังก็เอาละ เมื่อไม่ได้คราวนี้เราจะพยายามเอาได้คราวหน้าเมื่อไม่ได้ชาตินี้ก็ขอให้ไปได้ในชาติหน้าอุปาทานความยึดถือก็ปัดดันประเดเข้าไปสู่จิตใจออย่างนี้แหละอุปาทานมันก็เป็นปัจจัยบังเกิดพบแล้วบเนี้ยพบก็เป็นปัจจัยบังเกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยบังเกิดชาาราปยาธิมรณะโสกปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาต เป็นนั้นว่าความทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมาย่อมเกิดขึ้นเป็นขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แหละไอ้ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะ่ะมันมีเหตุปัจจัยขึ้นมาอย่างนี้ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้ละตันหาแบบนี้นะเมื่อเห็นว่าตันหาให้เกิดเป็นเนตได้เกิดทุกข์แล้วก็กจะเลี้ยงมันไวทาไมทันหานะ่ะ ก็เพียงพยยามละตัณหาออกไปเหมือนอย่างบคุคคลผู้เห็นโทษแห่งกิเลตัณหาเหล่านี้มาบวชในพุทธศาสนานี้มันก็มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรละตัณหานันให้ได้เต็มความสามารถเลยเพราะว่าไม่ได้ทำงานการค้าการขายไม่ได้ทำนาทำสวน ไม่ได้ทำราช ก, การงานเมืองให้ยุ่งยากลำบากอะไรเลยแ้วทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษฉันเข้าวันละมื้อวันละเวลาเท่านี้แล้วก็อยู่ในที่สงบสงัดไม่ชอบอกชับใจในมหโหสถคบกันต่ า, างๆนานาหมูนี้นะ อย่างนี้นี่มันก็มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรละสนายน้อยเบาบางไปโดยลำดับให้คิดดูให้ดีนะว่าพวกเป็นนักบวนี่นะมันโอกาสท่้ามาถึงแล้วฉะนั้นให้พากันตั้งใจทาความเพียรลงไปให้เต็มความสามารถจะไปเห็นแก่หลับแกนอนอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินแม้พวกเป็นชาวบ้านก็เหมือนกัน แต่ชาวบ้านบางคนมีบุญวาสนามีปัญญาก็จะไม่ยอมให้ตัญหา้มันครอบงำจิตใจให้สั้งเต็มร้อยเปอร์เซ็นก็จะต้องพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ว่าอย่างนึงก็ให้มันเอาชนะมันไปสัก 50% าสิบเปอร์เซนให้มันเหลืออยู่สัก 50% าสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้ก็ยังนับว่าฐานดีอืมเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลมาละตัญหา ในหัวใจนี่ออกไปได้เท่าไรความทุกข์ทางจิตใจนี่มันก็บาวางไปได้เท่านั้นไม่ใช่ว่ามันลึกล้ำคำพีระาพอะไรนักหนานะมองเห็นได้อยู่ดีๆนี่เนะ่ยทำไมจะมองไม่ได้ใจของตนเองนะ่ะตนอยากได้อะไรต่ออะไรตนก็รู้ไม่ใช่เลยนันแหไม่ใช่ว่าไม่รู้นี่อยากได้เมียงี้มันก็รู้ว่าตนอยากได้เมียอยากได้ลูก ก็รู้อยากได้เข้าข้องเงินทองก็รู้อย่างนี้แหละหรือว่าตอนอยากพ้นทุกข์ทนดับหรีขึ้นมาในใจอย่างนี้ก็รู้อันเนี้เอา้าการที่อยากได้ของไม่เที่ยงมันยั่งยืนตระกาวมานั้นมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้การที่อยากพ้นทุกข์อย่างนี้เราก็ต้องละ ของไม่เที่ยงเหล่านั้นปงวางไว้าตามสภาพอย่าไปยินดีพอใจกับมันเอถ้าหากว่าผู้ยังละมันไม่ได้ด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคโดยเด็ดขาดก็ให้ยินดีในกามคุณที่ไม่มีโทษนั้นอมันมีอยู่กามคุณที่ไม่มีโทษก็มีมีโทษก็มีเหมือนควาว่ามีบาปนั่นเองเนี่ยอันนี้นะ แต่ว่าสำหรับนักบวนแล้วนั้นต้องปฏิเสธ ต, ตั้งร้อยเปอร์เซนต์เลยคฤหัสนั้นอเหลือไว้สักห้าิเปอร์เซนต์ก็ยังดีจะไม่ต้องทำบาปอย่างนี้แหละคนมีปัญญามันจึงสามารถละทันหาความทยานอยากในใจได้ปัญญาจะมีได้ก็เพราะการ จเจริญสมาธิทำจิตให้สงบระงับจากนิวรณทั้งห้าให้ได้อย่างนี้นะไอ้เรื่องอย่างนี้ใครทำให้ใครก็ไม่ได้ผู้สอนกับเป็นไต้เพียงแนะอุบายให้แนะแนวทางให้เท่านี้แหละผู้ฟังจำอุบายอะนี้ไปได้แล้วเอาไปลงมือทำฝึกต้นเข้าไปเช่นนี้ น, นี่มันก็เห็นผลในปัจจุบันนี่แหละ ก็ทําทตัณหาให้น้อยบาวางออกไปจากจิตใจได้เท่าไหร่มันก็รู้ว่ารู้ด้วยตนเองในปัจจุบันนี้เองเนี่ยดังนั้นให้พากันผ้าเพียนไม่ยามลงไปให้สังเกตดูในขนาดที่จิตของเราสงบอยู่แล้วนะมันอยากได้อะไรหรือไม่อย่างไม่เลยไม่อยากได้อะไรเมื่อมันไม่อยากได้อะไรแล้วมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ ก็มันเป็นสุขแต่สิมันจะเป็นทุกข์ยังไงอ่ะนั่นอย่างางี้แหละเมื่อเราทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปได้เรายังเห็นผลมาแล้วนี้นะมีความสุขสบายมากแต่ว่าความสงบเช่นนี้มันเป็นไปได้ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นมันไม่ตั้งอยู่นานเดี๋ยวมันก็ถอนขึ้นมาเมื่อถอนขึ้นมาตนไม่เจริญปัญญาต่อ ไม่ค้นคว้าไม่พิจารณาว่าตัณหามันมาจากอะไรอย่างนี้นะมาจากอุปทานขันธ้ใช้ปัญญาค้นคว้านะใจนี่แหละไปยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนมันยังเกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรมาปนปือขันห้านี้ดังนั้นปัญญาก็สอนจิตมาให้ยึดปั้นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตน เพราะว่าฝืนยึดไว้มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ยั่งยืนตลอดกาลนานไปจะได้อาศัยขันหานี้ไปชั่วคราว เ, เท่านั้นเมื่อมหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกลับทําลายไปเท่านั้นเองขันหานี้ดังนั้นจะไปยึดถือมันให้มันเป็นทุกข์ทําไมเล่าพงเสียเถิดความเสียเถิดขันหานี้สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ใจมันถูกปัญญาสอนเขาแล้วมันก็เห็นตามปัญญา วันนี้มันก็ไม่หวงแล้วมันก็คงก็วางรวมจิตลงให้เพีนหนึ่งเข้าไปไม่วิตกไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไม่วิตกวิจัยไปตามวิญญาณความรู้ทางตาเป็นต้นไม่ไปตามมันแล้ววันนี้นะอล่อยวางไว้ตามสภาพของมันมันจะแปรปรวนไปยังไงก็แล้วแต่มันจะแตกดับก็แล้วแต่ ก้อนไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเราก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจไม่เห็นแจ้งแล้วจริงเรื่องนี้เมื่อพลงเมื่อวางแล้วก็เบาใจสบายใจอันนี้แหละเป็นทางคนทุกข์ภัยในวิตรสงสารเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับรับฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม ให้เต็มความสามารถของตนของตนก็จะได้ประสบผลคือความก้นทุกตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้